ากายกับใจนี่เราก็คงรู้แล้วนะว่ามันสัมพันธ์กันมากนะคนเราเนี่ยเวลามีความโกรธ ถ, ถ้าเกิดขึ้น บ, บ่อยๆหรือเป็นคนที่มักโกรธเนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยเป็นโรคความดันสูงนะหรือว่าคนที่เครียดมากๆนะเครียดยืดเยอเรื้อรังเนี่ยก็จะทำให้เจ็บป่วยง่ายนะ เป็นบาดบ่อยอันนี้ต่างจากคนที่เขามีจิตใจผ่องใสนะหรือว่าผ่อนคลายเนี่ยไอ้โรคทํานองนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ดงนั้นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยกับสุขภาพกายนี่มันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็พบว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกนะทัศนคติก็มีผลนะ ต่อร่างกายคนเราทัศนคตินี่ก็เป็นเรื่องของความคิดความเห็นความเชื่อนะถ้าเรามีทัศนคติในทางลบนะมันก็เจ็บป่วยได้ง่ายอาจจะไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้แต่แต่ว่าก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ได้อย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหมหาทลายาลเยลเนี่ยเขาได้ ทำการวิจัยโดยการสอบถามคนที่อายุประมาณ40สนะมีการสอบถามทัศนคติของเขาต่อวัยชาราว่ามีความคิดมีมุมมองเกี่ยวกับวัยชาราหรือว่าความแก่เท่าอย่างไรบ้างแล้วก็พบว่าคนที่มีทัศนคติต่อ ความแก่ในทางลบหรือรู้สึกลบต่อความแก่เนี่ยเช่นมองว่าคนแก่เนี่ยเป็นผู้ที่เมอรอยเรยนร่้อะไรได้ยากเง ง, งๆง่าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปยี่สิบห้าปีบวกเขาตามยาวเลยนะเมื่อเวลาผ่านไปยี่สิบห้าปีเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่า มากกว่าอะไรมากกว่าใครมากกว่าคนที่มีทัศนคติในทางบวกต่อความแก่หรือว่ารู้สึกเฉยๆฉต่อความแก่ก็พราบว่ า, าคนที่มีทัศนคติตอ่อทางในทางลบต่อความแก่เนี่ยสมองบางส่วนที่สําคัญนะมันจะฝ่อลงมันจะเล็กมันจะฝ่อมากกว่านะมีริมเลือดมากกว่ามากกว่าใครนะมากกว่าคนที่เขามีทัศนคติในทางบวกตออ่อความแก่ หรือมองว่าคนแก่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรความแก่ชราไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่มันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าคนที่มีความคิดลบต่อความแก่ความชราเนี่ยผ่านไปสามสิบสี่สิบปีเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่า มากกว่าใครนะมากกว่าคนที่เขามีทัศนคติในทางบวกต่อความแก่ชาราหรือว่ารู้สึกเฉยๆต่อความแก่ชาราเนะี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พบแล้วว่าเนี่ยโรคหัวใจก็ดีโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวความจําเสื่อมก็ดีนี่มันเกิดขึ้นนะแพร่หลายมากแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษายากด้วยนะโรคหัวใจยังพอจะรักษาได้ โดยการผ่าตัดนะทำบายพาสแต่ว่าโรคอัลไซเมอร์นะี่มันรักษายากมีแต่ชะลอพูดถึงการป้องกันนี่ก็ยากนะแต่ว่าการวิจัยนีย่มันน่าสนใจทีเดียวนะให้ทำไมเนี่ยคนที่รู้สึกรบต่อความแก่ความชราเนี่ยผ่านไปย5้าปี30ปีเนี่ยจึงเป็น จึงมีโอกาสไปโลกหัวใจมากกว่าไปโกเอาลไซเมอร์มากกว่าก็เป็นเพราะว่าพอมองว่าความแก่เนี่ยมันไม่ดีคนแก่นี่เง้เงืงังะหรือว่าเป็นภาระกับคนอื่นหรือมองว่าวัยชารานี่มันเป็นวัยของความโดดเดี่ยวอ้างว้างพอคิดแบบนี้เนี่ยนะ เมื่อตัวเองเริ่มแก่ชราลงนะจาก40นะอายุ50แล้วก็60เนี่ยในความแก่ชราที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็ทำให้คนที่คิดแบบนี้รู้สึกกังวลโอ้นี่ฉันกำลังแก่หรือเนี่ยนะต่อไปฉันจะเป็นภาระกับคนอื่นต่อไปฉันก็จะความจำเสื่อม ต่อไปฉันก็จะโดดเดี่ยวอ้างว้างพอคิดแบบนี้ข้อเนี่ยมันก็เกิดความกังวลเกิดความเครียดในความกังวลความเครียดนี่มันก็มีผลนะบั่นทอนร่างกายโดยเฉพาะหัวใจแล้วก็สมองผ่านไปยีสิบห้าปีเนี่ยนะมันก็นานพอที่จะเห็นผลนะก็กลายเป็นว่ายิ่งรู้สึกลบต่อความแก่ ความแก่มันก็ยิ่งสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะส่วนคนที่ไม่มีความรู้สึลกลบกับความแก่หรือมองว่าความแก่เป็นเรื่องดีนะเหมือนกับคนท่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยสมัยปู่ย่าตายายเราแก่ก็ดีนะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนของลูกหลานมีลูกหลา น, นาห้อมร้อมนะอบอุ่นแถม ได้รับการยกย่องเป็นผู้อาวุโสใครมีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาการงานต่างๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมีประสบการณ์เยอะผ่านโลกามากก็สามารถจะให้คำแนะนำเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาทั้งทางสติปัญญาทางจิตใจได้พอรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เครียดนะแก่ตัวลงก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไร มีความทุกข์กความทุกข์ทางกายแต่ว่าทุกใจไม่ไม่ค่อยมีนะยิ่งมาเข้าหาวัดปฏิบัติธรรมทาบุญทากุศลนะจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานเพราะฉะนั้นเนี่ ย, ยการที่จะเป็นโรคหวัวใจนะมากกว่าคนอื่นหรือว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะ อย่างทเจตมาพูดเนี่ยยิ่งรู้สึกรบต่อความแก่ความแก่มันก็ยิ่งทำร้ายเรา <c oughs> แต่ถ้าเรารู้สึกบวกต่อความแก่นะความแก่มันก็กลับเป็นคุณกับเราทําให้อายุยืนมากขึ้นแล้วก็ยืนแบบมีสุขภาพดีด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่อยากจะเป็นอัลไซเมอร์ในตอนแก่ๆหรือว่าเป็นโรคหัวใจในวัยชรานเนี่ย ก็ต้องนะกลับมาสำรวจความคิดจิตใจของตัวนะว่าตอนนี้นี่เรารู้สึกลบกับความแก่หรือเปล่าเราเห็นความแก่เป็นสิ่งที่เป็นครอบกรรมหรือว่าเห็นว่าชีวิตในใบชะลาเนี่มันเป็นภาระกับผู้คนหรือเรามองว่าเออความแก่ก็เป็นธรรมดานะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อมีเมื่อเป็นหนุเป็นสาว ถึงเวลามันก็แก่มองความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมดาหรือมองความแก่ชราว่ามันเป็นโอกาสดีนะเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นนะปล่อยวางได้มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้นี่ในความแก่ความชรานี่มันก็จะไม่ทำร้ายเราถึงแม้ว่ากำลังวังชาจะลดน้อยถอยลงนะแต่ว่า อที่จะเป็นโรคร้ายนะรุนแรงแบบโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นกันเยอะหรือว่าลงมะเร็มก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงไม่ใช่ว่าจะไม่เกิด น, นะ <c oughs> มันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสมันน้อยลงนะเมื่อเทียวกับคนที่เขารู้สึกลบกับความแก่รู้สึกลบกับอะไรก็ตามนะถ้ามันก็ส่งผลเสียย้อนกลับมาที่เราถ้ารู้สึกบวกกับอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็กลับจะ เป็นคุณให้กับเราได้หรือย่างน้อยก็ไม่ทำร้ายเราไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจ